ช่วงนี้ใครติดตามข่าวข่าวเกี่ยวกีฬา <c oughs> ก็คงได้ยินข่าวนะ <c oughs> แชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นแชมป์ซึ่งเป็นเรียกว่าลีกสูงสุดของอังกฤษได้แก่ทีมเลสเตอร์ทีมแม้ไม่ได้สนใจฟุตบอล อังกฤษนะคนไทยทั่วไปก็คงจะได้ข่าวเพราะว่าทีมนี้คนไทยเป็นเจ้าของนี่นเป็นข่าวที่พูดกันมากนะเพราะว่าเลสเตอร์เป็นทีมที่ถือว่าตอนที่เริ่มฤดู ก, กาลเมื่อปีที่แล้วนี่ อยู่แนมดับบวยปีที่แรกก็เกิดตกชั้นไปนแล้วเรียก ว, ว่าต้องดิ้หลนหนีตกชั้นอย่างอย่างหวาดเสียวนะก็คือเป็นลองที่โลหรือว่าเป็นที่โลถ้าเป็นถ้าเป็นสอบถ้าเป็นนักเรียนก็สอบได้ที่โล แต่มาปีนี้ก็บอกว่าได้แชมป์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากตอนที่เขาเปิดฤดูกาลก็คำนวณว่าโอกาสที่จะได้แชมป์เนี่ยมีหนึ่งในห้าพันหนึ่งในห้าพันนี่ถือว่าถ้าจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในสุดก็ได้แชมป์ คนก็คือฮาว่าเป็นเพรา ะ, ะยันของหลวงท่านเจ้าคุณทงชัยหรือเปล่าเป็นเพราะการดลบรรดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าข่าวข่าวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวที่ทำให้ตื่นเต้นอย่างเดียวแต่มันก็ให้ง่ายคิดด้วยนะว่า อะไรที่มันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ความสำเร็จนี่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้นะแม้กระทั่งกับทีมที่เรียก ว, ว่าอยู่อันดับบ้วยหรือว่าไม่อยู่ในสายตานุ่งก็เกิดขึ้นอยู่เสมอนะในวงการฟุตบอลหรือว่าในวงการกีฬา เรียกว่าถ้าทุกวงการก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆะะะะคนหรือว่าทีมที่อยู่ในอันดับบ้วยนะไม่อยู่ในสายตาแต่ก็กลับได้แชมป์หรือว่าชนะเลิศได้เมื่อสิบสองปีที่แลมก็มีแข่งฟุตบอลอะไรฟุตบอลยูโร กรี e เนี่ยนะเขาก็จะไปเป็นทีมบ้วยไม่อยู่ในสายตานะอัตราการต่อรองก็ร้วยหนึ่งในร้อยโอกาสที่จะชนะเป็นแชมป์ก็หนึ่งในร้อยแต่สุดก็สามารถเป็นแชมป์ได้ไอหนึ่งใน1้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะหนึ่งในร้อยนี่มันก็เท่าถ้าจะเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ทีมที่เราหนึ่งในสามมีโอกาได้เป็นแชมป์หนึ่งในสามก็ยังไม่ได้เป็นบ่อยครั้งหรือทีมที่ได้เป็นแชมป์หนึ่งในสองก็ตกรอบทีมเต็งหนึ่งก็ยังเวิดไดนะ้ในวงการกีฬาอย่างปีที่แล้วสองปีที่แล้วฟุตบอลโลกเนี่ยปลาซือก็เป็นเต็นหนงหนึ่ง ก็ก็ไม่ได้แชมป์ยิ่งหนึ่งในร้อยดูแล้วนี่ก็เรียกว่าไกลจนเมื่อินไปได้เลยแต่ก็ได้แชมป์จนได้แต่ว่าก็ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ยากเท่ากับหนึ่งในห้าพันนะนแต่เลสเตอร์ก็กทำได้ก็เรียกว่ามีความ มันคงไม่ใช่โชคอย่างเดียวนะมันก็ต้องอาศัยความสามารถหฝีมือดนะ้วยเพราะว่ามันต้องแข่งกันยาวนานมากปนระมาณแปเก้าเดือนโชคหรือปฏิหารก็เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวไม่นานอาจจะเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งหรือสองครั้งแต่ว่าในการที่จะจะยืนยืนระยะเนะี่ยเป็น หรือว่าค่อนเปเนี่ยมันก็ต้องอาศัยฝีมือด้วยแต่แน่นอนโชคก็มีส่วนนะก็ต้องมีส่วนด้วยสิ่งที่เป็นเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าจะมีคนคาดการว่าไม่มีสิทธิ์ได้เป็นแชมป์หรอกในในายปรตไทรบินโดก็เคยมีเรื่องเล่าว่า เมืองสองเมืองนี่ทำศึกสงครามกันเมืองที่เป็นต่อเนี่ยเขาก็พระราชาของเมืองนั้นก็ถามปุโรหิตว่ามีโอกาสจะชนะไหมปุโรหิตก็มียานที่จะสามารถย่างไปถึงสามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้ ถามพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าดูจากชะตาแล้วเนี่ยชนะแน่นะตูโรหิตก็เลยมาบอกพระราชาพระราชาพอรู้ว่าชนะแน่นยพระอินทร์บอกมากับปางเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ไม่ค่อยตัดเตรียมือพนเท่าไหร่รัวชนะแน่ มีใครบ้างที่จะกล้าท้าทายลิกิตหรือพรมลิกิตนะของสวรรค์ไม่มีใครที่จะพลิกนะคำบรญชาของสวรรค์ได้สว่วนเมืองนึงนีก็ปุรหิตก็ไปก็มียานอย่างรู้เหมือนกันสามารถที่จะติดต่อกับเทวดาในสวรรก็รู้ว่าแพ้แพ้แน่ แต่พระราชาของเมืองที่สองรู้ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือไม่ได้คำยืนยันว่าแพ้ก็ไม่ยอมไม่ท้อแท้ก็ยังตากเตรียมรีผลมีการฝึกปลืออย่างเต็มที่แต่แล้วพอทำสุดสขขงครามกรับราว่าไอ้เมืองที่ พระอินทร์ว่าแพ้นี่กลับชนะเมืองที่พระอินทร์ว่าชนะนี่กลับแพ้เสียหายยับเยินเลยพระราชาเมือง น, นั้นก็เลยโกรธปุริศขีดมากตุริดก็เลยไปเรียกว่าไปโวยนะพระอินทร์ว่าเอาไงบอกว่าเมืองเมืองข้าพเจ้าชนะเนี่ยพระ อ, อินทร์ก็เลยตอบว่าเนี่ยไอความเพียรพยายามของมนุษย์เนี่ย แม้แต่เทวดาก็ไม่อาจ ก, กิดกันได้ที่ น, นี้แม่เนี่ยความเพียรของมนุษย์นี่เทวดาก็กีดกันไม่ได้หมาควว่าแม้มันเป็นผมเล็กขีดหรือว่าเป็นเล็กขีดของใครก็ตามหรือว่าเป็นโชคชะตาก็แล้วแต่มันก็ยังพ่ายแพ้ต่อความเพียรของมนุษย์หรือพ่ายแพ้ต่อกรรมนั่นเอง อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่เชื่อในกติความเชื่อของพุทธศาสนาว่าโชคชะตาก็สูกกรรมไม่ได้มันก็แพ้กรรมถูกกำหนดชะตามาอย่างไรนะก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่ากรรมของมนุษย์นั้นถึงพออันนี้มันก็ก็เหมือนกันนะ ทีฟุตบอลเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องลิขิตอะไรแต่มันมีเรื่องของการคาดการณ์ของเสียนนะมันมีการต่อรองมันมีการใช้สติใช้สถิติมาใช้สถิติในการศึกษาในการคำนวณ น, นะพวกใช้หลักวิทยาศาสตรนะ์ใช้หลักวิทยาศาสตร์คำนวณแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะ ทีมนี้ทีมนีจะชนะแต่ว่าหนึ่งในห้าพันนี่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่แม้โอกาสจะชนะมีแค่หนึ่งในห้าพันมันก็ยังเป็นไปได้นะเดี๋ยวว่าแต่หนึ่งในร้อยเลยนะอันนี้มันก็ได้เป็นแง่คิดนะสำหรับคนเวลามีความท้อแท้ มีโอกาสแพ้หนึ่งในสิบมีโอกาสแพ้นะหนึ่งในยี่สิบหรือมีโอกาสจะล้มเหลวนะหนึ่งในสิบนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากหนักหนาอะไรเพราะขนาดหนึ่งในห้าพันก็ยังทำได้มาแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนหรือว่าให้กำลังใจคน เวลาเวลาท้อแท้ท้อถอยนะก็ให้นึกว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีโอกาสน้อยมากนะมันก็ไม่ได้แปลว่าหมดโอกาสมีโอกาสน้อยมากก็ยังแสงว่ายังมีโอกาสอยู่แล้วโอกาสนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรพยายามไอ้โชคนี้เป็นส่วนประกอบ ต้องมีความเพียรพ ย, ยายามก่อนมีความสา ม, มารถเคร ก, ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะเตือนใจคนที่มีโอกาสจะชนะแน่แต่โดยที่ยังไม่ได้ชนะ 100% มันก็แปลว่ายังมีโอกาสแพ้อยู่แมาจะเป็นแม้ตัวเลขมันจะ 99.99% ส99ิกอาชนะแน่ ก็มีนะบ่อยนะฟุตบอลเนี่ยแข่งกันมาเก้าสิบนาทีแล้วฝ่ายกอยังนำอยู่เลยหนึ่งศูนย์หรือบางทีก็สองศูนย์ด้วยเนะี่ยเก้าสิบนาทีแล้วไอ้ฝ่ายทีมคอนี่นะยังตียังตีประตูเตะประตูคืนไม่ได้เลยมันก็แปลว่าทีมก็ชนะแน่นะ เราบอกไม่ว่าทีมก่อนชนะร้อยเอต์ใจที่นกหวีด ย, ยังไม่เป่าหมดเวลาเพียงเรียกว่าชนะมีโอกาสชนะ 99% หรือ 99.99 ส99ิาคำว่าแน่นอนเนี่ยหรือชนะแน่เนี่ยมันต้องหมายความว่าหมดเวลาแล้วนะถึงจะบอกว่าแน่นอนแต่ยังหมดยังไม่หมดเวลาก็ยังแปลว่ายังไม่แน่นอนแล้วก็พบ ว, ว่าเนี่ยหลายครั้งไอ้ทีมที่มันชนะ ทีมที่ชนะมา90นาทีเนี่ยพอถึงนาทีที่9ก้ก็โดนยิงประตูคืนแล้วก็แพ้ก็มีชนะ20จบลงด้วยแพ้สองสก็มีชนะ10 90นาทีแรกบอกว่าพอหมดเวลาก็แพ้12สองก็มีแล้วนี้มันเป็น มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นธรรมดาดรามา่ามันสอนใจเราได้ว่าอย่าประมาทนะตราบใดที่ยังไม่อะไรที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะมันก็มีโอกาสาที่จะพลิกกลับได้แล้วจะเรียกว่าร้อยเปอร์ซ็นจริง จ, งจงก็ต่อเมื่อมันยุติแล้วนะนกหวีดเป่าหมดเวลาแล้วถึงจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายังนกบีจะไม่เป่าหมดเวล า, วาแสดงว่า อย่างมากก็ 99.99 99. คือยังมีโอกาสที่จะพลิกได้อยู่แม้จะน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ได้อ่านข่าวคือเรื่องของอเมรัชนกนะเมรัชนกนี่ก็รู้เราก็รู้กันไะด้ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก ในเรื่องแบดมินตันเขาก็ไปไปคุยนะเรื่องราวของเม่ด้านต่างๆที่น่าสนใจคือเรื่องของการการฝึกซ้อมของเขาอย่างโคนี่ก็บอกว่าเนี่ยม่ฝึกตั้งแต่อายุ6กขวบตอนนี้อายุ21อแล้ว สิบห้าปีที่ผ่านมานี่ซ้อมทุกวันหรือว่าแท้ทุกวันไม่มีหยุดตั้งแต่หกขวบนะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ซ้อมวันละห้าชั่วโมงก่อนไปเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เจ็ดชั่วโมงหรือว่าแทไม่ได้เที่ยว เคยมีคนถามถามเมย์ช่วงที่ได้แช้ใหม่ๆเมื่อหลายปีที่แล้วว่าเมื่อแข่งเสร็จในความฝันคืออะไรบอกขอให้ได้ฝันว่าจะได้หยุดสักสองวันจะได้พักผ่อนบ้างความฝันของเมย์หยุดเพื่อพักผ่อนเพราะอะไรเพราะว่า ซ้อมทุกวันถ้าไม่ซ้อมก็แข่งสิบห้าปีซ้อมวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เจ็ดชั่วโมงคำนวณเข้าคร่าแล้วก็ประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมาก็ซ้อมไปแล้วสองหมืนสองหมนสี่หรือสอง0มื่นเจ็ดพันชั่วโมง มีคนเขาประเมยว่าเนี่ยคนที่เป็นแชมป์ได้เนี่ยมันต้องซ้อมเนี่ยอย่างต่าเนี่ยหมื่นชั่วโมงนะตัวเลขนะตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นี่ยหมื่นชั่วโมงแต่เมยก็ผ่านไปแล้วนะสองหมืนกว่าโค้ชจีบอกเนี่ยคนจีนเนี่ยนักกีฬาจีเนี่ยซ้อมหนักกว่านี่ซ้อมหนักกว่านี้อัอ น, กก น, ออนนี้ กับกีฬาทุกประเทล ย, ยเพากีฬาที่เล่นคนเดียวนะเช่นแบดมินตันหรือว่ายิมนาสติกถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มอันนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่ากว่ามันจะรวมทีมได้กว่าจจ ะ, ะครบทีมมันยากแต่ถ้าทําคนเดียวนี่หมื่นหมื่นชั่วโมงนี่เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็ได้แง่คิดนะว่าถนาด ขนาดเพียงแค่เหรียญทองนะก็ยังทุ่มเทงขนาดนี้ทั้งที่เหรียญทองไม่ช่วยทําให้มีความสุขยั่งยืนได้เท่าไหร่เหรียญทองก็ให้ความสุขชั่วคราวนะมีความสุขตอนที่ได้เหรียญหรือว่าหลังจากนั้นไปสักห้าหกเดือนหรือปีสองปีหลังจากนั้นก็ ความสูงก็ลดลงสู่ระดับเดิมนักกีฬาเหรียญทองของไทยแชมป์มวยมวยเหรียญทองหลายต่อหลายคนที่ได้แชมป์มาทุกวันนี้ก็ชีวิตก็กลับมาสู่อีหลอบเดิมไม่ว่าจะเป็นสมรักคำสิงหรือว่าใครต่อใครมันก็ได้ได้ ความปราบพื้นได้เงินได้ทองมีคนชื่นชมสรรเสริญก็ดีใจแต่มันก็อยู่อยู่ได้ไม่นานความสุขที่ได้ก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรแต่คนทยังทุ่มเทนะทุ่มเทมันเรียกว่าสำหรับเมยนี่มันค่อนชวิตไปแล้วนะสิบห้าปีในยี่สิบเอ็ดปีเนี่ย อันนี้พอมาเที่ยวนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนนะนรรมให้เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทํานี่มุ่งหมายนี่มันสูงส่งกว่าเหรียญทองเยอะมันมุ่งมอมันสูงส่งกว่าเหรียญทองเยอะคือความพ้นทุกข์นะแต่ว่าพูดถึงความเพียรจะสู้ยเขาได้หรือเปล่าเนะี่ย นักปฏิบัติธรรมนี่ถ้ า, าว่าเราคิดเสีย ว, ว่าโอ้ต้องทำให้ได้ไม่แพ้เขาปฏิบัติธรรมนี่ทั้งชีวิตเนี่ยนะให้มันให้มันได้ทั้งหมื่นชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วทั้งชีวิตนี่คือตั้งแต่อาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่นะ จนทั้งตายเนี่ยปฏิบัติธรรมหมื่นชั่วโมงนี่ก็ก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนักกีฬาเนี่ยระดับพวก เ, เหรียญทองโอลิมปิกหรือ ว, ว่าแชมป์โลกนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะอย่างระดับน้องเมนี่ก็รอไปแล้วนะสองหมืนสอง ห, ห้าพันชั่วโมง เราก็เส้นทางก็ยังไม่ยุตนะิกว่าจะวางไม้แบตเนี่ยคงจะไม่น้อยกว่าสามหมืนชั่วโมงนั้นเพียงแค่ปิบตรรริทำนีทำไม่ได้หมื0นชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับนักกีฬาเหล่านี้แต่พอพูดนะว่าเนี่ยถ้าเลยบอกนักปฏิบัติทำนี่มาเนี่ยเธอต้องปฏิบัตินะ ให้ได้เหมือนชั่วโมงหลายคนงจะร้องโอ้โหมันเยอะเหลือเกิน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้าปฏิบัติทำแค่วันละห้าชั่วโมงมันก็สองพันวันกันไแล้วสองพันวันนี่ปีปีหนึ่งนะปฏิบัติทำสองร้อยวันสองพัน yeah. วันก็คือสิบปี หลาคนกคงย่อโอมันมันเยอะเหลือเกิ น, นทำไมปฏิบัติธรรมมันมันเรียกร้องมากอย่างนี้พ น, นจะพ้นทุนนี่ ม, มันต้องยากแบบนี้ปฏิบัติธรรมต้องหมื่นชั่วโมงสองพันวันอันนี้ก็ถือว่าถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกว่าจิตจอยมากนะถือว่า แพ้นะแท้พวกนักกีฬาเหล่านี้พวกนี้เขาทํากันเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่าทุ่มเททั้งชีวิตเลยมันก็น่าคิดนะสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องอยั่งเยือไม่เป็นสารนางชื่นีคนทุ่มเทกันเอาเป็นอดตายแต่สิ่งที่ชาวพุทธถือว่าสำคัญนะก็กลับไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่ในแง่นี้ก็ต้องนับถือนะพวกนักกีฬาเหล่านี้ว่าเนี่ย เรีว่ามีความเพียรอย่งกว่านักปฏิบัติธรรมจานว น, นมากอีกแต่ถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยนะลองก็ต้องลองตั้งเป้านะประโยชน์ธรรมเนีนะ่มันต้องใช้ได้หมื่นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าไม่ถึงหมื่นชั่วโมงนี้่จะหวังอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวหวังมรรคหวัผลหรือว่าหวังให้เกิดความก้นาวหน้าในการปฏิบัติธรรมนี่ก็คงจะหวังไม่ได้ พวกนี้กเป็นบทเรียนให้กับเรามากสอนใจได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทามันก็จะดูเหมือนว่าทําไปด้วยอํานาจของเงินก็ดี mm hmm. เพราะนักกีฬาหลายคนก็ทํำด้วยเงินทําด้วยความต้องการเงินต้องการชื่อเสียงซึ่งล้วนแล้วจะเป็นเรื่องโลกธรรมที่หาความยั่งยืนแน่นอนอะไรไม่ได้แต่เขาก็ยังทุ่มเทงันถ้ายิ่งเป็นปฏิบัติธรรมเราก็เลยต้องเอา เอาชีวิตเข้าเข้าแรกเดี๋วก็ว่าได้แล้วก็อาชอยนี้กูก็นทนนี้นะกราบฮะ